การที่พวกเราจะได้รับประโยชน์จากพระพุทธศาสนาเราจำเป็นที่จะต้องมีศรัทธาความเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เชื่อว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ตรัสรู้ทมอันประเสริฐที่จะนำพาสัตว์โลกให้ไปสู่ ที่สุขที่เจริญให้หลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดให้เราเชื่อในพระธรรมคําสอนอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าว่าเป็นคําสอนถ้าเรานำเอามาปฏิบัติแล้วเราจะได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงเราจะได้ พบแต่ความสุขความเจริญไปตลอดและเชื่อในพระอริยสงสาวคว่าเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกๆุกประการจนสามารถได้รับประโยชน์ที่พึงจะได้รับจากการปฏิบัติ ตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี่คือพระพุทธพระธรรมพระสง์ที่พวกเราจะถือเป็นผู้นำทางผู้สั่งผู้สอนเป็นผู้ที่จะช่วยรักษาใจของเราที่ตอนนี้กำลังถูกความ ทุกต่างๆคุกคามใจอยู่การเชื่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้เป็นเหมือนกับการเชื่อหมอเชื่อยาเวลาที่เราไม่สบายเราก็ต้องหาหมอหายาหมอที่เราไปหายาที่เรารับประทานก็เป็นหมอและยาที่เราเชื่อว่า จะทำให้ความไม่สบายของร่างกายนั้นหายได้เวลาเราไม่สบายเราก็ไปหาหมอหมอให้ยามาบอกให้รับประทานยาเราก็ต้องรับประทานยาถ้าเราไม่รับประทานยาเราก็จะไม่รู้ว่ายาที่หมอให้มานี้ จะรักษาโรคภัยไข้เจ็บของเราได้หรือไม่ถ้าเรารับประทานยาเราก็จะได้รู้ว่ายานี้รักษาโรคภัยไข้เจ็บได้หรือไม่ถ้ารับประทานแล้วโรคภัยไข้เจ็บไม่หายไปก็แสดงว่าหมอไม่เป็นหมอไม่เก่งหมอไม่รู้จักวิธีรักษาโรค ให้ยาที่ไม่สามารถรักษาโรคได้ถ้าเป็นเช่นนั้นเราก็จะได้ไม่ต้องไปหาหมอคนนี้อีกเราก็ต้องไปหาหมอคนอื่นเพราะเรายัางต้องการที่จะให้ร่างกายของเราให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บนั่นเองนี่คือเรื่องของความเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ คือการเชื่อนี้ไม่ได้ให้เชื่อเฉยๆถ้าเชื่อเฉยๆแล้วไม่ได้ทําตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้กระทำ<ม>เราก็จะไม่ได้รู้ว่าคําสอนของพระพุทธเจ้านี้เป็นประโยชน์กับเราจริงหรือไม่เชื่อแบบว่าเชื่อเพื่อเอาไปพิสูจน์ไม่ใช่เชื่อเฉยๆไปหาหมอ เชื่อหมอว่ารักษาโรคของเราได้หมอให้ยามาก็เชื่อว่ายารักษาโรคของเราได้แต่ไม่รับประทานยากันอเก็บยาไว้อย่างนี้เราก็ไม่รู้ว่าหมอกับยานี้จะช่วยรักษาโรคภัยของเราได้หรือไม่เราต้องพิสูจน์เชื่อแล้วเราต้องพิสูจน์เชื่อว่าหมอนี้ รู้จักรักษาโาครคภัยไข้เจ็บเชื่อว่ายาที่หมอให้มานี้จะรักษาโาครคภัยไข้เจ็บต่างๆให้หายไปได้<อ>เมื่อเราเชื่อแล้วเราก็ต้องเอาไปพิสูจน์หมอให้ยามาเราก็ต้องรับประทานยาแล้วเราจะได้รู้กันว่าหมอและยานี้จะรักษาโรคภัยของเราได้หรือเปล่า นี่คือลักษณะของความเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่ให้เชื่อเฉยๆแต่ไม่ทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเลยถ้าอย่างนี้เชื่อแบบนี้ก็ไม่ได้รับประโยชน์อะไรเชื่อแล้วต้องทำตามทำตามที่พระพุทธเจ้าสงสอนแล้วประโยชน์ที่เราจะได้รับก็จะเกิดขึ้นมา ประโยชน์ของพระพุทธศาสนานี้มีอยู่สองระดับด้วยกันระดับแรกเรียกว่าระดับโลกียะระดับที่สองเรียกว่าระดับโลกุตตระโลกิยะก็คือยังติดยังเป็นประโยชน์ที่ได้จากในโลกของการเวียนว่ายตายเกิดส่วนโลกุตตระนี่เป็นประโยชน์ที่ได้นอก เหนือจากโลกของการเวียนว่ายตายเกิดเป็นประโยชน์ที่ไม่ได้อยู่ในโลกของการเวียนว่ายตายเกิดเป็นประโยชน์ที่ออกจากโลกของการเวียนว่ายตายเกิดไปนี่คือประโยชน์ที่พระพุทธศาสนาจะมอบให้กับเราได้โลกคยะประโยชน์นี้เป็นอย่างไรก็คือ ถ้าเราทำตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ทำสองประการด้วยกันคือหนึ่งให้ละการกระทำบาปทั้งปวงสองให้ยังกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมถ้าเราทำท ำ, ทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งสองข้อนี้ได้เราก็จะได้รับประโยชน์คือเราจะเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสุคติ คือเราจะไม่ไปเวียนว่ายตายเกิดในทุกขติหรือในอบายถ้าเราทำบุญและไม่ทำบาปเวลาเราตายไปเราจะไปเกิดในสวรรค์ชั้นต่างๆสวรรค์ชั้นต่างๆนี้เราเรียกว่าสุกติเป็นภพที่มีแต่ความสุขมากกว่าความทุกภพของเทวดาภพของพรหม แต่เป็นพบที่ไม่ถาวรได้แล้วเดี๋ยวก็ต้องเสื่อมหมดไปไปเป็นเทวดาแล้วพอบุญที่ส่งให้ไปเป็นเทวดาหมดก็ต้องกลับมาเกิดใหม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่กลับมาแก่มาเจ็บมาตายใหม่กลับมาทาบุญละบาปใหม่าแล้วเวลาตายไป ก็จะได้ไปเกิดเป็นเทวดาไปเป็นพรหมแต่ถ้าเราไม่อยากที่จะกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอยู่เรื่อยเรื่อยเราก็ต้องยังเราก็ต้องเล็งไปที่ประโยชน์ของระดับโลกุตระประโยชน์ของโลกุตระนี้ถ้าเราสามารถ ปฏิบัติตามเหตุได้เราจะไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปเราจะไปอยู่ที่อริยะภูมิอริยะสวรรค์หรือที่อยู่ของพระอริยะเจ้าที่จะไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปการที่เราจะได้รับ โลกุตละประโยชน์นี้เราต้องปฏิบัติเพิ่มอีกข้อหนึ่งนอกจากการไม่ทำบาปแล้วนอกจากการทำบุญแล้วเรายังต้องชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์กำจัดเหตุที่พาให้เรากลับมาเกิดแก่เจ็บตายเหตุที่ทำให้เรากลับมาเกิดแก่เจ็บตายนั้น พระพุทธเจ้าเป็นผู้ได้ส่งค้นพบด้วยพระองค์เองไม่มีใครในโลกนี้ที่รู้เหตุที่พาให้สัตว์โลกทั้งหลายต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอยู่เรื่อยๆมีพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นที่เป็นผู้รู้เหตุที่จะพาให้กลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายนั่นก็คือ กิเตัณหาโมหะอวิชชาหรือพูดง่ายๆก็คือตัณหาสามประการด้วยกันตัณหาที่เกิดที่พาให้กลับมาเกิดแก่เจ็บตายนี่เรียกว่าภวกามตัณหาภวะตัณหาและวิภาวะตัณหาถ้ากําจัดกามตัณหาภวะตัณหาวิภาวะตัณหาได้ จิตก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดมาแกมาเจ็บมาตายอีกต่อไปนี่คือโล ก, กุตระประโยชน์ประโยชน์เหนือโลกเหนือประโยชน์ที่ออกจากโลกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดประโยชน์ถ้าเรายังไม่สามารถปฏิบัติถึงขั้นชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ได้เราก็จะได้รับประโยชน์คือ โลกียประโยชน์เราจะเวียนว่ายตายเกิดอยู่ระหว่างสวรรค์และภพของมนุษย์เราจะไม่ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดในภพของสัตว์เดรัจฉานของเปรตของอสุรกายหรือตกนรกถ้าเราไม่กระทำบาปหาข้อด้วยกันคือฆ่าสัตว์รักทรัพย์ ประพฤติผิดประเวณีพูดปดดดื่มสุรายาเมาและการเสพอบายามุกต่างๆเช่นเล่นการปรนันเที่ยวกลางคืนเที่ยวดูของละเล่นต่างๆพบคนโง่คนไม่ฉลาดเป็นมิตรและมีความเกลียดข้านการกระทำเหล่านี้จะ ดึงให้ใจของพวกเราหลังจากที่ร่างกายตายไปแล้วต้องไปเกิดในอบายต้องไปรับผลบาปคือไปเกิดเป็นเดชะชานเป็นเปรตเป็นอสุรกายไปตกนรกถ้าเราไม่กระทำบาปเหล่านี้ได้ตายไปเราก็ไม่ต้องไปเกิดในอบาย ถ้าเราไม่ได้ทำบุญเราก็จะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ถ้าเราได้ทำบุญด้วยไม่ทำบาปแล้วแล้วก็ได้ทำบุญด้วยเราก็จะได้ไปสวรสวรค์ชั้นต่างๆไปสวรรค์ชั้นเทพชั้นต่างๆที่มีความสุขมากน้อยต่างกันไป ถ้าทำบุญมากก็จะได้สวรรค์ที่ชั้นสูงขึ้นไปมากถ้าทำบุญน้อยก็ได้สวรรค์ชั้นต่ำเหมือนกับที่เร า, เาไปซื้อของต่างๆเช่นรถยนต์นี้ก็มีรถยนต์ราคาหลายระดับด้วยกันเป็นรถยนต์เหมือนกันวิ่งไปไหนมาไหนได้เหมือนกันแต่มีราคาต่างกันมีราคาถูก และราคาแพงสวรรค์ก็เป็นเหมือนกับรถยนต์ชนิดต่างๆนี่เหมือนกันบุญที่เราทาก็เป็นเหมือนเงินทองที่เราไปซื้อสวรรค์ชั้นต่างๆถ้าเรามีบุญมากเราก็จะได้ซื้อสวรรค์ชั้นสูงถ้ามีบุญน้อยเราก็จะซื้อสวรรค์ชั้นต่ำเหมือนกับมีเงินน้อยก็ซื้อรถราคาถูก ถ้ามีเงินมากก็ซื้อรถราคาแพงๆได้แต่มันก็เป็นรถเหมือนกันสวรรค์ก็เป็นที่ให้ความสุขเหมือนกันเยงแต่ว่ามีความสุขมากสุขน้อยต่างกันไปเท่านั้นถ้าเราทำบุญมากเราก็จะได้สวรรค์ที่สูงและอยู่ได้นานกว่าการทำบุญน้อย ทำบุญน้อยก็อยู่สวรรค์ได้ไม่นานเท่ากับการทำบุญมากทำบุญมากก็จะได้อยู่นานได้อยู่สวรรค์ชั้นสูงนี่คือผลเหตุที่ทำให้มีสวรรค์ชั้นต่างๆอยู่ที่การทำบุญของเราทำบุญมากก็จะได้สวรรค์ชั้นที่สูงมากทำบุญน้อยก็ได้สวรรค์ที่สูงน้อย ถ้าเราอยากจะไปสู่สวรรค์ที่สูงกว่าสวรรค์ชั้นเทพเนี่ยเราก็ต้องทําบุญอีกแบบหนึ่งก็คือเราต้องนั่งสมาธิให้ได้ศีลที่เรารักษาเราก็ต้องเพิ่มจากศีลห้าให้เป็นศีลแปดถ้าเราอยากจะไปสู่สวรรค์ที่มีความสุขมากกว่าสวรรค์ชั้นเทพนีเหมือนกับ เราซื้อรถยนต์ราคาแพงๆแต่ถ้าเราอยากจะไปไหนมาไหนให้เร็วกว่าการนั่งรถยนต์เราก็ต้องซื้อเครื่องบินถ้าเรามีเครื่องบินเราก็จะสามารถไปไหนมาไหนได้สะดวกรวดเร็วกว่าการที่เราซื้อรถยนต์รถยนต์จะมีราคาแพงขนาดไหนก็ ซ, ซื้อเครื่องบินไม่ได้ราคาของเพื่องบินก็ต้องมีมากกว่า เราสามารถไปไหนมาไหนได้ไกลกว่าและได้เร็วกว่าเช่นถ้าเราซื้อรถราคาสิบล้านขับจากกรุงเทพไปเชียงใหม่เราเราก็นั่งอย่างสบายแต่ต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงแต่ถ้าเราซื้อเครื่องบินส่วนตัวเรานั่งจากกรุงเทพไปเชียงใหม่ก็เพียงชั่วโมงเดียวเราก็ถึงแล้วเราก็สบายกว่านั่งอยู่ในรถ พในเครื่องบินนี้ก็มีทั้งห้องน้ําห้องท่ามีที่นั่งที่นอนมีอาหารการกินเราจะขึ้นไปรับประทานอาหารบนเครื่องบินก็ได้พอรับประทานอาหารเสร็จก็ถึงจุดหมายปลายทางนี่คือความสะดวกความสบายความสุขที่ต่างกันระหว่างรถยนต์กับเครื่องบิน ชันใดสวรรค์ชั้นเทพกับสวรรค์ชั้นพรหมก็มีความแตกต่างกันอย่างนั้นถ้าเรายังไม่พอใจกับความสุขที่เราได้รับจากการไปเกิดในสวรรค์ชั้นเทพเราต้องการความสุขมากกว่านั้นเราก็ต้องสร้างบุญให้มากขึ้นไปมากกว่านั้นคือนอกจากรักษาศีลห้าแล้วเรายัางต้องเพิ่มขึ้นอีกสามข้อ พิ่มเป็การรักษาเสียงแปดเียงแปดนี้ก็จะทําให้เราไม่เสพความสุขของระดับของเทวดา<ม>เทวดานี้ยังเสพรูปเสียงกลิ่นรสอยู่เพียงแต่ว่าเป็นรูปทิพเสียงทิพกลิ่นทิพเวลาที่ไม่มีร่างกาย<ม>ถ้าเราอยากจะไปสู่สวรรค์ชั้นพรหมเราจะเลิกเสพรูปเสียงกลิ่นรสกัน<ม>เราจะไปเสพ ความสุขอีกอย่างหนึ่งที่เรียกว่าความสงบนะความสงบนี้จะเกิดได้ก็ต่อเมื่อเราไม่ไปเสบรูปเสียงกลิ่นลดผดทพะถ้าเรายังเสบรูปเสียงกลิ่นลดผทพกะอยู่คือถ้าเรายังรักษาศีลแปดไม่ได้เราก็จะไปขึ้นไปสวรรค์ชั้นพรหมไม่ได้เหมือนกับเงินไม่พอมีเงินพอซื้อรถยนต ราคาแพงๆได้แต่ไม่มีเงินที่จะซื้อเครื่องบินถ้าอยากจะมีเงินซื้อเครื่องบินเราต้องรักษาศีลแปดเราต้องละเว้นจากการหาความสุขทางตาหูจมูกลินกล้นกายศีลข้อสามของศีลห้าเราก็เปลี่ยนมาเป็นอัรหมัจรารยาคือเราจะไม่หาความสุขจากการร่วมหลับนอนกับใคร ถ้าถือศีลห้านี่เรายังร่วมหลับนอนกับคู่ครองของเราได้อยู่เพราะนี่เป็นศีลห้าเป็นสวรรค์ชั้นเทพศีลแปดนี่เป็นสวรรค์ชั้นพรหมผู้ที่ถือศีลแปดนี้ไม่หาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผพถภาไม่ร่วมหลับนอนกับใครหมอนข้างก็ไม่ให้มีถ้าถือศีลแปดแล้วอย่าไปมีหมอนข้าง หมอนข้างนี้มันก็ยังเป็นเหมือนกับอรูปเสียงกลิ่นรสผดทภะอยู่เพียงแต่ว่าไม่เหมือนกับคนนั่นเองแต่ก็เป็นตัวแทนกันได้ถ้าถือศีลแปดแล้วก็ไม่ควรที่จะนอนหมอนข้างาแล้วก็ไม่เสพอาหารมากเกินความจำเป็นเกินความต้องการของร่างกายรับประทานอาหารเพียงเที่ยงวันก็พอ หลังจากเที่ยงวันก็งดไม่รับประทานอ า, อาหารอะไรอีกต่อไปถ้าหิวก็มารับประทานอาหารใจเพราะร่างกายไม่หิวถ้าเกิดความหิวนี่แสดงว่าไม่ใช่เป็นความหิวของร่างกายแต่เป็นความหิวของใจที่ยังอยากจะเสบรูปเสียงเกล็่นสถของอาหารอยู่งั้นถ้าให้เสบอาหารความหิวของใจก็ไม่หมด ก็ยังหิวอยู่เหมือนเดิมกินอาหารไปเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวก็หิวึ้นมาอีกแล้วถ้าอยากจะให้ใจอิ่มไม่ควรไปรับประทานอาหารควรไปรับประทานอาหารของใจคือความสงบความสงบนี่แหละที่จะทำให้ใจอิ่มถ้าเวลาเราถือศีลแปดแล้วเราก็ต้องไปหาอาหารให้กับใจหาอาหารใจอย่าไปหา หาอาหารผ่านทางร่างกายเพราะมันไม่ได้เป็นอาหารของใจจะไม่ทำให้ใจอิ่มเราจึงต้องอนั่งสมาธิกันเวลาที่เราถือศีลแปดกันถ้าเราไม่นั่งสมาธิแล้วใจเราจะหิวโหวยจะทรมานแล้วจะไม่สามารถรักษาไปได้นานรักษาศีลแปดได้วันเดียวก็เลิกแล้วเพราะว่า ทนกับความหิวของใจไม่ได้ใจไม่ได้รับอาหารการที่เราถือศีลแปดนี้ก็เพื่อที่จะบังคับให้ใจเราไปหาอาหารของใจคือไปหาความสงบที่เกิดจากการนั่งสมาธิที่เกิดจากการควบคุมความคิดของเราไม่ให้คิดไปทารูปเสียงกลิ่นรสต่างๆถ้าเราไม่คิดถึงรูปเสียงกลิ่นรส ความอยากที่จะเสบรูปเสียงกลิ่นรสมันก็จะเกิดขึ้นมาไม่ได้ใจเราก็จะสงบนิ่งแล้วก็จะมีความสุขความอิ่มโดยที่ไม่ต้องไปรับประทานอาหารไม่ต้องไปดูรูปเสียงไม่ต้องไปเสบรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆนี่คือความสุขที่ละเอียดกว่าที่สุขมากกว่าความสุขของระดับโลกียะ ระดับของเทวดาเทวดานี้อาศัยความสุขที่เกิดจากการเสบรูปเสียงกลิ่นลดถ้าไม่มีร่างกายก็เสบรูปรูปทิพเสียงทิพกลิ่นทิพไปแทนแถ้าอยากจะได้ความสุขที่เหนือกว่าความสุขของเทพก็ต้องมารักษาสิ่งแปกันสิ่งแปไม่รับประทานอาหารเย็นเป็นสีลงก่อหก แล้สินข้อ7ก็คือไม่ไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายด้วยการไปดูมหรสพและบันเทิงต่างๆหรือไปท่องเที่ยวตามสถ า, านที่ท่องเที่ยวต่างๆเพราะว่ามันเป็นความสุขที่หยาบ ก, กว่าความสุขที่เราจะได้จากการไปนั่งสมาธิไปทำใจให้สงบ แล้วก็ละเว้นจากการแต่งเนื้อแต่งตัวแต่งหน้าทาปากทำเาเผาทำผมอะไรต่างๆใช้น้ำมันใช้น้ำหอมเป็นความสุขที่หยาบ ก, กว่าความสุขที่เราจะได้รับจากการไปทำใจให้สงบแล้วก็ละเว้นจากการหลับนอนมากเกินไปและห ล, ลับนอนแบบสบาย คือนอนบนฟูกหนาๆเตียงใหญ่ๆ ใ, ให้นอนบนพื้นแข็งๆเพื่อจะได้ไม่นอนมากนอนพอให้พักให้ร่างกายได้พักผ่อนก็พอพอร่างกายต่นขึ้นมาแล้วก็จะไม่อยากจะนอนต่อถ้านอนบนพื้นแข็งๆเพราะมันไม่สบายมันไม่สุขซู้มาเอาความสุขจากการมานั่งสมาธิดีกว่านี่คือหน้าที่ของศีลแปด บังคับให้ใจต้องไปนั่งสมาธิกันถ้านั่งสมาธิได้จะรักษาศีลแปดได้อย่างสบายไม่เดือดร้อนถ้านั่งสมาธิทาใจให้สงบไม่ได้จะทนกับการรักษาศีลแปดไปได้ไม่นาน <ừ. S 1> เพราะมันจะรู้สึกทรมานใจที่ไม่ได้เสพความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย <ừ. S 1> ดังนั้นถ้าเราต้องการ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 ทุกใจเราจะฟุ้งซ่านใจเราจะหงดดหงิดจะว้าเว่เศร้าซ้อยงอยเหงาซึ่งเป็นผลที่เกิดจากความอยากจะเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสผธภถรนั่นเองเราต้องเอาชนะความทุกเหล่านี้ให้ได้ด้วยการทาใจให้สงบการที่เราจะทาใจให้สงบได้เราต้องมีสติ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 เบรกก็คือสติสติก็คือให้สั่งให้ใจหยุดคิด mm. ถ้าเราสั่งให้ใจหยุดคิดแล้วมันไม่หยุดแสดงว่าเราไม่มีสติ mm. หรือสติมีน้อย mm. เหมือนกับเวลาเราขับรถยนต์แล้วเวลาเราต้องการให้รถหยุดเราเหยียบเบรกแล้วมันไม่หยุดก็แสดงว่าเบรกไม่มีหรือเบรกหมด mm. เวลาเบรกหมดนี้เราก็ต้องเอารถเข้าอู่ เพื่อไปติดเบรกใหม่เบรกเก่ามันเสียเรืวมันหมดสภาพไปเราจะไม่กล้าขับรถไปไหนมาไหนโดยไม่มีเบรกเพราะเราต้องเราต้องหยุดรถตามเหตุการณ์ต่างๆเช่น mm hmm. ถ้าเราไปติดรถรถข้างหน้าเขาหยุดเราก็ต้องหยุด mm hmm. ถ้าเราไม่หยุดเราก็ต้องไปชนท้ายเขา mm hmm. ถ้าไปถึงสียแยกไฟแดงเราก็ต้องหยุด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 สี่สิชนิดมารับประทานเราก็เลือกอาหารที่พอพอเหมาะพอถูกปากถูกใจเรามารับประทานก็พอรับประทานเพื่อให้ร่างกายอิ่มชั้นใดเราก็เลือกกรรมฐานมาเพื่อทำให้ใจเราอิ่มทำให้ใจเราสงบทำให้ใจเราหยุดคิดกรรมฐานนี้ก็กลุ่มแรกนี้ก็ท่านเรียกว่าพุทธเรียกว่าอนุสติ สินีมีอยู่สิบชนิดด้วยกันเช่นพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติมรณานุสติกายกตาสติอานาปนาสตินี่คืออนุสติที่เราจะสามารถเอามาใช้เป็นเครื่องสร้างสติขึ้นมาเพื่อให้เรามีกําลังหยุดความคิดต่างๆได้หยุดความอยากได้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 หรือใช้กายะกะตาสติก็ได้ถ้าใช้พุทธานุสติเราก็ลำเลิกถึงพุทโธพุทโธไปถ้าธรรมานุสติเราก็ลำเลิกถึงธรมโมธรรมโมไปถ้าสังขานุสติเราก็ลำเลิกสังโฆสังโฆไปถ้ากายะกะตาสติเราก็ดูร่างกายไปว่ากําลังทําอะไรกาลังเดินอ ก็เดินหนากำลังยืนก็ยืนหนอะกำลังนั่งก็นั่งหนาหรือไม่ต้องว่าหนาก็ได้ให้รู้เฉยๆรู้ว่ากำลังเดินรู้ว่ากำลังยืนรู้ว่ากำลังนั่งให้เฝ้าดูร่างกายในทุกอิรียบทของการเคลื่อนไหวและของการกระทาถ้ากำลังอาบน้ำก็ให้รู้ว่ากำลังอาบน้ำอย่าให้ไปรู้เรื่องอื่น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 เดินไปก้าวเท้าซ้ายก็ว่าพุทโธก้าวท้าขวาก็ว่าก้าวเท้าขวาก็ว่าพุทโธเ <Evet. S 1> น่การ ก, การใช้กรรมฐานกำกับใจจึงสามารถใช้หลายอันหรือเปลี่ยนอันได้ให้เหมาะกับเหตุการณ์ที่เรากำลังกระทำอยู่ <Evet. S 1> แล้วขอให้ดูว่ามันหยุดความคิดได้หรือไม่ evet. ถ้าหยุดได้ก็แสดงว่าใช้ได้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 แล้วถ้าเรามานั่งเฉยๆนั่งหลับตานั่งอยู่ในท่าขัดสม า, สมาธิเราจะมาเปลี่ยนจากการดูร่างกายมาเป็นดูลมหายใจแทนก็ได้เพราะตอนนี้ร่างกายไม่ได้เคลื่อนไหวแล้วไม่ได้ทำอะไรแล้วเราก็ต้องเปลี่ยนจากกายกตาสติมาเป็นอานาปณะสติดูลมหายใจเข้าออก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 ขั้นที่สามคือพระ อ, อนาคามีพระ อ, อนาคามีนี้กำจัดความอยากในรูปเสียงกลิ่นลดได้หมดกำจัดกามอารมณ์ต่างๆได้หมดการมาราคะไม่หิวโหยไม่อยากมีแฟนไม่อยากร่วมหลับนอนกับใครเพราะเห็นตลอดเวลาว่าแฟนนี้จะเป็นผีดีๆนี่เองเป็นผีที่ยังเดินได้ยังหายใจได้เท่านั้นเองพอหยุดหายใจเมื่อไหร่ก็ยกให้วัดให้สับเหล่อไปทันที นี่คือเรื่องของการใช้ปัญญาเพื่อตัดภพตัดชาติเพื่อบรรลุถึงโล ก, กุตรธรรมที่มีอยู่4่ขั้นด้วยกัน3ามขั้นแรกนี้ได้เกิดได้จากการที่ทำลายความอยากที่จะเสพกามในรูปแบบต่างๆเสพความอยากต่างๆที่เกี่ยวกับร่างกายพระโซดาบันก็ตัดความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้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 เหมือนไส้กรอกเนี่ยไส้กรอกดูข้างนอกก็สวยพอแกะเข้าไปก็จะเห็นข้างในเละเทะไปหมดอันนี้ก็เหมือนกันร่างกายนี้ถ้ามองข้างหน้าก็ดูว่าสวยบ้างามพอมองเข้าไปข้างในแล้วเห็นเป็นของที่หน้าไม่น่าดูไปเห็นโครงกระดูกเห็นกระโหลกศีรษะเห็นปอดเห็นหัวใจเห็นตับเห็นลำไส้เห็นสมองเห็นน้ําต่างๆน้ําเลือดน้ําเหลืองน้ําอะไรต่างๆเต็มไปหมดน เห็นแล้วก็จะทำให้คลายความอยากได้คลายการมลลมได้ไม่อยากจะเสกการไม่อยากจะมีแฟนได้นี่คือเรื่องที่เราจะไม่รู้กันมาก่อนเรื่องของการเรื่องของโลกุตตะละธรรมเรื่องของการหลุดพ้นเรื่องของปัญญานี้ต้องมีพระพุทธเจ้ามาตัดสเราเราถึงจะรู้กันได้สมัยที่พระพุทธเจ้ายังไม่ตัดสร่งนี้ พวกที่ปฏิบัตินี้เขาก็ไปติดอยู่ที่สวรรค์ชั้นพรหมกันะแต่พอมีพระพุทธเจ้ามาตรัสลุแล้วมาสอนว่าให้ทําลายความอยากะพวกที่ติดอยู่สวรรค์ชั้นพรหมก็ขึ้นไปสู่ชั้นโล ก, กุตละกันได้เลยทันทีพังทำปั๊บก็บรรลุได้เลยพระพุทธเจ้าแสดงธรรมครั้งแรกก็มีอะพระอัญญาณกนทะญะหนึ่งในพระปัญจวัคคีย์ก็มีดวงตาเห็นธรรมเห็นว่า สิ่งต่างๆเกิดแล้วก็ต้องมีการดับไปเห็นความไม่เที่ยงของสิ่งต่างๆเช่นร่างกายก็เลยตัดความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้ก็สามารถบรรลุเป็นพระโสดาบันขึ้นมาได้ตัดภพชาติให้เหลือเพียงเจ็ดชาติได้อันนี้เป็นเพราะว่าเขามีกำลังของสมาธิแล้วพอเขาฟังทมเขาก็เข้าใจเขาก็หยุดความอยากได้ทันที เขาเคยกลัวความแก่กลัว ค, ความเจ็บกลัว ค, ความตายเพราะอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายพอพระพุทธเจ้าบอกว่าร่างกายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายถ้าไม่อยากจะทุกข์ไม่อยากจะกลัวก็ต้องยอมรับความจริงว่ามันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเท่านั้นเองพอยอมรับความจริงปล่อยให้ร่างกายแก่เจ็บตายได้ก็จะไม่ทุกข์อีกต่อไปนี่คือโลโกตาธรรม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 จึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พร อ, อยะถ า, าวาริวาหาปุราปริกปุเรนติสาขังเอวเมวะอิโตทินางเปตานางอุ ป, ปกัรปติอิทีิตังปัธิ่ตังตุมหังคิดป้าเมวะสมิจฉาโสัพเพปุเรนตุสังกปา จันโทปนะอะราโสยทาเมณิโชติอะราโสยทาสัภีติโยวิวาจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวตะวันตารโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาธนสีลิสนิจจังวุฒาปะจายโนจตารโรธรมมวาฐานติ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 ส่งข้อความขึ้นมาถามก็ได้วันนี้ทาง Facebook y o u t ท b e เท่าไหร่วันนี้ Facebook สูงสุดสาม้อยสี่สิบเก้าค่ะ y o u t u หนึ่งร้อยสมสิบเอ็ดค่ะในไลน์อ f ฟฟิเชมีสี่พันหกร้อยเจ็ดสิบแปดค่ะเดี๋ยวก็ลดลงไปเรื่อยๆ เ, เดี๋ยวก็หยุด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 เวลาติดแล้วเวลาไม่มีเดิมก็จะทุกข์คิดอย่างนี้เราต่อไปก็จะได้ไม่อยากจะเดืม่มเวลาอยากจะมีแฟนก็ดูร่างกายของแฟนว่ามันสวยงามหรือไม่ะดูตับไตไส้พุงเขาบ้างอย่าดูแต่หน้าอย่า แ, แต่คิ้วแต่ตาแต่ปากดูลาไส้บ้างดูปอดดูหัวใจบ้างมันจะได้เอ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 คำถามจากผู้ฝักถามได้ถือสินแปดแต่ยังนอนกับหมอนข้างจะต้องกลาบข อ, ขอขมาแล้วอาราธนาสิลแปดใหม่หรือเปล่าครับก็ไม่ต้องยโยนหมอนข้างทิ้งไปแล้วเก็บไว้ที่อื่นเวลาถือสินแปดก็อย่าไป ม, มีหมอนข้า ง, งนั่นเองเราทําไปแล้วอาจจะไม่รู้ว่ามันมันก็ทําให้เรายังติดอยู่ถึงแม้ว่าไม่เป็นคนก็นยังเป็นเป็นหมอนติดหมอน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 เป็นประโยชน์กับผู้อื่นก็ถือว่าเราได้ทำบุญทำกุศลเราก็จะมีความสุขได้โดยที่ไม่ต้องรอให้ใครม า, ามายกย่องสรรเสริญมาให้รางวีรางวัลกับเราสวัสดีครับอาจารยา์มีคำถามนิดหน่อยครับอพอดีถ้าสมมติว่าจิตสุดท้ายเราก่อนที่จะละโลกนี้ไปเนี่ยเราควรจะวางให้มัน อยู่ตรงจุดไหนดีครับอาารเอ๋อจิตสุดท้ายมันก็เกิดจากการที่เราได้ฝึกฝนจิตเราในปัจจุบันเนี่ยเพราะเราจะตายตอนไหนเราไม่รู้ใช่ไหมมันจะตายตอนปัจจุบันเนี่ยมันจะตายเออเพราะฉะนั้นถ้าเราฝึกฝนอบรมจิตมาถึงจุดไหนมันก็จะเป็นอย่างนั้นในจุดตอนที่เราตายมันเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้เช่นเราทำดีมาตลอดพอจิตสุดท้ายเราจะไปคิดทำบาสนี้ก็คงจะเป็นไปไม่ได้ เราทำบาปมาตลอดแล้วจิตสุดท้ายจะเปลี่ยนให้เราไปคิดทำบุญทำไม่ทำไม่ได้เเราต้องทำอย่างใดไปเรื่อยๆแล้วอย่างนั้นก็จะเป็นจิตสุดท้ายของเราต่อไปอแล้วถ้าสมมติว่าร่างกายเราอยู่ในร่างกายเวทนาย่เงี้ยสมมติป่วยหรือว่าเป็นโรคอะไรอย่างเงี้ยเราจะควรวางใจแบบให้ให้รู้ก็อย่าไปทุกข์กับมันาเงี้ยอย่าไปอยากให้ความเจ็บหายไปอย่าไปอยากให้ไม่ตาย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 มันก็จะไปไม่ดีนั้นต้องฝึกทาไว้ตั้งแต่เรายัางไม่ตายมันพิจารณาซ้อม ส, สอนใจอยู่เรื่อยๆพระเจ้าสอนให้พิจารณาอยู่เนืองๆว่าเราเกิดมาแล้วต้องมิแก่ต้องเจ็บต้องตายไปเป็นธรรมดาล่วงพ้นความแก่ความเจ็บความตายไปไม่ได้ต้องพัดพากจากกันเป็นธรรมดาล่วงพ้นจากการพัดพากจากกันไปไม่ได้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 อถ้าเราอยายกให้เขาพอใจเราแล้วก็ต้องขอบคุณเขายิ้มแย้มแจ่มใสเล่นละครหน่อย <c oughs> เขาจะได้อยากจะให้เราอยู่เรื่อยๆ <c oughs> ถ้าเขาให้เราแล้วเราไม่แยแสพอเขารับมาปั๊บก็โยนทิ้งเขาก็จะไม่ให้เราเราอีกต่อไป <c oughs> บางทีมันเรื่องของโลกบางทีก็ต้องเอาใจเขาบ้างว่าเขาเขาหวังดีกับเราเขาอยากให้เรามีความสุขเนี่เราก็ต้องแสดงอาการว่าเราสุขให้กับเขาไปเขาจะได้ไม่ท้อแท้ เบื่อเบื่อในายในการทำความดีเนื้อนานอานนี้ไม่ได้เป็นการโกหกการเป็นการแสดงอนุโมทนาแสดงความยินดีให้กับเขาว่าเขาได้ทำความดีเขาได้เสียสละคำถามจากคุณก๋วยเตี๋ยวเรือท้าดวนกายะคตาสติกับอสุภะแตกต่างกันอย่างไรครับอ๋อกายะคตาสติก็เพียงแต่ดูร่างกายดูการเคลื่อนไหวต่างๆดูการกระทําของร่างกาย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 มันก็เป็นดูดูร่างกายเหมือนกันแต่ดูให้ดูในส่วนที่ไม่สวยไม่งามแต่กายากตาสตินี้ให้ดูเพียงแต่การเคลื่อนไหวของร่างกายให้ใจเกาะร่างกายไว้เป็นที่หยุดความคิดต่างๆคําถามจากคุณวัญยารักนั่งสมาธิแล้วเกิดแสงสว่างต้องทําอย่างไรคะก็สักแต่ว่ารู้ไปแล้วนั่งต่อไป ถ้าดูลมได้ก็ดูลมต่อไปพุโทโธได้ก็พุโทโธไปอย่าไปดูแสงสว่างเพราะเดี๋ยวมันจะไม่ไปลึกไปกว่านั้นถ้าอยากจะไปลึกกว่านั้นอยากให้มันสงบมากกว่านั้นก็ต้องพุโทโธต่อไปถ้าใช้พุโทโธถ้าดูลมก็ดูลมต่อไปคําถามจากคุณนันทชาข้อที่หนึ่งการถวายน้ําดอกไม้สวดมนต์ไหว้พระทําได้เวลาไหนบ้างเจ้าคะ ก็แล้วแต่เราสะดวกเมื่อไหร่ก็ทำไปเนี่ยเขาเรียกว่าเลิกสะดวกเนี่ยการถวายน้าก็ถวายให้ใครแหละก็คนที่ถวายเ้าอยู่ตรงไหนเราอยู่ตรงนั้นเช่นตอนนี้ใครถวายน้าก็ถวายกันได้แต่จะไปถวายตอนที่อยู่ในกุติแล้วก็ไม่ไม่ควรไปละมันก็ต้องมีกาลเทศะความเหมาะสมข้อที่สอง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 ไม่กล้าเก็บไว้ในบ้านก็เลยต้องเอาไปเก็บไว้ที่วัดบ้างหรือว่าไปรอยังคางกันบ้างคาถามจากคุณภูแม่ยังชอบไปตกปลามากินอยู่เป็นประจำแบบนี้ถือว่าบาปไหมครับบาปคาถามจากคุณออยขอโอกาสขอความรู้ที่ถูกต้องคะ่ะผู้ที่จะวางอุเบกขาได้นั้นจะต้องมีเมตตก่อนไหมคะ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 ดังนันถึงจะเห็นว่าไม่ใช่ตัวเราเห็นเหมือนกันเห็นร่างกายของคนอื่นนะคนอื่นเขาแก่เจ็บตายแล้วเราเดือดร้อนไหมไม่เดือดร้อนใช่ไหมก็ปล่อยเขาอย่างนั้นนะ่ะถึงจะเห็นจริงเห็นว่าร่างกายแล้วนี่เป็นเหมือนร่างกายของคนอื่นหมดแล้วค่ะหมดแล้วเลย เ, ออเดี๋ยวรอเดี๋ยวใครอยากจะถามก็ส่งข้อความเข้ามานะยังมีเวลาอยู่อีกประมาณเกณือบสิบนาทีด้วยกันอืม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 เมื่อเราไม่อยากได้อะไรเราอยู่คนเดียวได้เราก็จะไม่ทุกข์กับอะไรคําถามจากคุณเครือวันเคยทําบาปมาตอนนี้สําำนึกแล้วจะต้องปฏิบัติอย่างไรที่จะให้เวรกรรมนั้นเบาบางลงเจ้าคะ่ะก็อย่าไปทําอย่าไปทําบาปต่อไปเดี๋ยวต่อไปบาปเก่ามันก็จะค่อยๆหมดไปเองใช้บาปใช่กรรมไปเดี๋ยวมันก็หมดเองคําถามจากคุณชนะตนข้อที่หนึ่ง ยงเข้าใจว่าจิตใกล้าตายจะอ่อนมากถ้าไม่ได้ทำอนันตริยกรรมมาเวลาจะไปบุญกระบับมาดึงตามอาจินกรรมที่เคยทำไว้เช่นที่เขาว่าไปที่ชอบที่ชอบถ้าเราภาวนานึกถึงความตายบ่อยๆจะปล่อยได้จริงในช่วงสุดท้ายไหมคะถ้าปล่อยมันก็จะรู้ตอนตอนที่เราปฏิบัตินี่แหละถ้าเราปล่อยได้แล้วมันก็จะปล่อยได้ถ้ า, ายังปล่อยไม่ได้มันก็ยังปล่อยไม่ได้ ข้อที่สองคนที่รักษาศีลห้าปกติแต่ไม่ได้ภาวนาเวลาตายศีลก็จะพาไปสุคติได้ใช่ไหมคะไปแค่มนุษย์นี่ยถ้าไม่ได้ทําบุญก็ไปไปสวรรค์ไม่ได้ต้องทําบุญแล้วก็ไม่ทําบาปถึงจะไปสวรรค์ชั้นต่างๆได้ถ้าเพียงแต่ไม่ทําบาปอย่างเดียวแต่ไม่ทําบุญก็กลับมาเป็นมนุษย์คําถามจากผู้ฝากถามในฐานะที่เป็นแพทย์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 คำถามจากคุณจิตประภัสสอนบนสวรรค์มีการฟังธรรมกันไหมเจ้าคะสวรรค์ชั้นเทพมีอยู่และต้องมีผู้ไปแสดงคือมีพระพุทธเจ้ามีพระอรหันต์ที่สามารถติดต่อกับเทวดาได้อย่างพระพุทธเจ้านี้แสดงธรรมให้เทวดาฟังทุกคืนหรือหลวงปู่มั่นเนี่ยเลมหนังสือประวัติะ้าจานมั่นที่เอาไปอ่านท่านก็แสดงธรรมให้กับพวกเทวดาที่มาฟังธรรมกับท่าน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 ก็ดีแล้วแหละถ้าเรารู้ว่าเขาเป็นคนไม่ดีเราก็ควรที่จะแยกตัวออกจากเขา<ม>แต่ไม่ไปเกลียดชังเขาเพียงแต่รู้ว่าเขาเป็นเหมือนอภัยอันตรายเหมือนงูเหมือนอะไรอย่างนี้<ม>เราก็ต้องป้องกัน ร, รักษาตัวเรารักษาทรัพย์สินชนเราโดยที่อย่าไปอยู่ใกล้ชิดกับเขาเพราะว่า<ม><ม>ถ้าปล่อยให้เขาอยู่ใกล้เราเดี๋ยว<ม>เราเผลอเขาก็จะขโมยข้าวของเราต่อไปได้